ที่อาจารย์ฝ่ายปฏิบัติถามลูกศิษย์หลังจากการแสดงธรรมจบลงว่าปังเทศได้ความหรือเปล่านั้นหมายถึงได้ความสงบเย็นและความแยบคายทางปัญญาตามภูมิจิตภูมิธรรมที่มีต่างกันในขณะฟังมิได้หมายถึงการจดจำเนื้อธรรมะที่ท่านแสดงแต่บทธรรมะใดที่ตกค้างอยู่ในความทรงจาบทธรรมะนั้นก็จาได้เองที่ผ่านไปก็ไม่จาเป็นต้องจดจา สำคัญที่ขณะฟังทำจิตให้ตั้งตัวมีความรู้สึกอยู่เฉพาะหน้าไม่พลั้งเผลอไปกับอารมณ์อื่นมีสติกับจิตทําหน้าที่รู้ตัวอยู่ภายในกระแสะธรรมะที่ท่านแสดงจะเข้ามาสัมผัสกับความรู้สึกที่ตั้งไว้ดีแล้วนั้นและได้ยินชัดถ้อยชัดคำยิ่งกว่าการส่งจิตออกไปรับธรรมะเสียอีก จิตกับกระแสธรรมะที่สัมผัสรับรู้กันโดยสม่ำเสมอไม่ขาดวักขาดตอนนั้นคือการกล่อมกล่าวจิตให้สงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิได้ในขณะฟังอารมณ์อื่นไม่เข้ามายุ่งหรือจิตไม่ส่งออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ภายนอกอันเป็นเครื่องก่อกวนใจให้ขุนมัวมีเฉพาะจิตกับธรร ม, มะสัมผัสกันอยู่เท่านั้นจิตย่อมสงบตัวลงไปเอง ขณะจิตสงบไม่คิดปรุงอารมณ์ก่อกวนต่างๆยอมทําให้ลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าและเวล่ำเวลาไปเองกายก็เป็นเหมือนไม่มีเวลานั้นมีแต่ความสงบเย็นเป็นผลให้จิตได้ดื่มโอชารสแทนอารมณ์อื่นขณะที่จิตกับธรรมะกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั้นนั่งนานเพียงไรก็ไม่เกิดความเหนื่อยราคาญถ้าความสงบนั้นไม่ถอนตัวขึ้นมาตราบใด กายก็ไม่มีทุกขเวทนามารบกวนอารมณ์ก็ไม่มีรบกวนใจตราบนั้นใจกับธรรมะอยู่ด้วยกันมีแต่ความสงบเย็นไม่เคยเป็นข้าศึกต่อกันแต่ไหนแต่ไรมาแต่ถ้าอารมณ์อื่นปรากฏขึ้นเมื่อไรก็เกิดเป็นข้าศึกกันเมื่อนั้นกายก็เหนื่อยใจก็ราคาญความง่วงก็มากเนื้อหนังเส้นเอ็นทั่วอวัยวะส่วนต่าง ก็แสดงอาการเจ็บปวดรวดร้าวไปหมดราวกับจะผุพังไปตามๆกันในเวลานั้นเพราะกิเลสตัวขี้เกียจมันกวนและเที่ยวยุ่ยแย่ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายให้เจ็บปวดราคาญไปหมดสุดท้ายความเพียรก็แตกสะมาคีแผ่สองสลึงลงแบบไม่เป็นท่าเพราะมันจนได้นี่แหละเรื่องของกิเลสไม่ว่าชนิดใดยอมทำลายคนและสัตว์ได้เหมือนกันหมด ท่านจึงเรียกว่ามารมีน้อยก็กวน้อยทำลายน้อยมีมากก็กวรมากและทำลายมากผิดกับธรรมะซึ่งเป็นเครื่องพยุงส่งเสริมเป็นไหนๆธรรมะมีมากเพียงไรย่อมทาใจให้สงบเย็นเพียงนั้นยิ่งมีมากจนใจทั้งดวงคนทั้งคนกลายเป็นธรรมะทั้งแท่งแล้วนั่นแหละคือผู้ทรงธรรมทั้งแท่ง ผู้ทรงบรมสุขตลอดอนันตการที่ท่านถามว่าฟังเทศได้ความไหมนั้นคือได้ความดังกล่าวมานับแต่ความสงบสุขในขณะฟังเป็นลำดับไปและได้ความสว่างสวัยทางปัญญาลากิเลสได้เป็นระยะไปตามภูมิของตนเรียกว่าฟังเทศได้ความกระทั่งได้ความสิ้นสุดแห่งการลากิเลส และรู้แจ้งในธรรมะทั้งหลายในขณะนั้นท่านเรียกว่าได้ความทั้งสิ้นพระทุดงคกรรมฐานโดยมากท่านฟังธรรมะได้ความท่านหมายเอาได้ความระวังใจกับธรรมะสัมผัสกันปรากฏผลเป็นความสงบเย็นและเห็นแจ้งขึ้นมาที่ใจส่วนการจดจาเนื้อธรรมะจากการแสดงนั้นท่านไม่ถือเป็นกิจสาคัญ ยิ่งกว่าการกําหนดรู้ระหว่างธรรมะ ก, กับใจสัมผัสกันท่านนั่งฟังเทศอยู่ด้วยการจํานวนมากน้อยเพียงไรจึงเหมือนไม่มีคนต่างองค์ต่างนั่งกําหนดจดจ่อฟังอยู่ที่ใจของตนราวกับหัวต่อไม่มีการกระดุกตุกติกอันเป็นการเหนื่อยหน่ายรําคาญแต่อย่างใดได้ยินเฉพาะเสียงอาจารย์ผู้ให้ธรรมะซึ่งแสดงด้วยความเข้มข้นราวกับฝนตกหนัก ทั้งลูกเห็บทั้งลมจัดพัดผันปั่นป่วนเหมือนกิเลสบาป ก, กรรมทั้งหลายจะขาดทลายกลายเป็นกระแสลมไปตามกระแสรธรรมในเวลานั้นเพราะขณะที่ฟังอยู่ด้วยความหมายมันป้นมือไม่มีกิเลสตัวใดจะโผล่หน้าอ้าปากออกมาแสดงความอวดดีกับสติปัญญาที่กำลังฟาดฟั น, นหันแหลกกันอย่างสุดกำลังเวลานั้นมีแต่ธรรมะล้ว น, วนทั้งภายนอกคือเสียงแห่งธรรมะ ทั้งภายในคือใจกับธรรมะกลมกลืนเป็นอันเดียวกันมีแต่ความเรื่นเริงบันเทิงไปกับธรรมะความสงบเยือกเย็นที่รู้เห็นขึ้นกับใจเท่านั้นกว่าจะจบการแสดงธรรมแต่ละครั้งกินเวลาสามสี่ชั่วโมงหลังจากการฟังธรรมผ่านไปแล้วอากยังมีข้อข้องใจในบางตอนสำหรับบางรายก็กราบเรียนถามท่านผู้เป็นอาจารย์ได้ช่วยชีย้แจงจนเป็นที่เข้าใจ แล้วค่อยเลิกไปที่พักของตนของตนจากนั้นต่างองค์ก็เข้าทางเดินจงกรมต่อไปเพื่อคลายทุกข์ในร่างกายแล้วระบายกิเลสออกจากใจด้วยอุบายต่างๆตามสติปัญญาของแต่ละท่านจะมีอุบายหนักไปในทางใดว่าจะออกจากทางเดินจงกรมเพื่อพักผ่อนก็กินเวลาหลายชั่วโมงวันที่มีการประชุมธรรมะ การพักผ่อนหลับนอนจำต้องเลื่อนออกไปพักดึกกว่าปกติธรรมดาบ้างเพราะวันนั้นถือเป็นกรณีพิเศษซึ่งมิได้มีทุกวันไปบางท่านจึงประกอบความเพียรด้วยอิริยาบถสาคือยือนเดินนั่งตลอดสว่างไม่หลับนอนการไม่ยอมหลับนอนตลอดรุ่งของท่านมีสองประการคือไม่นอนเพราะความตะเกียกตะกายในความเพียรเพื่อบูชาธรรมะ ที่ท่านอุตสากาแสดงด้วยความเมตตาในธรรมะทุกขั้นอย่างถึงใจปังแล้วเกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นทำให้มีความอุตสาหพยายามอยากให้เป็นไปตามที่ท่านเมตตาสั่งสอนหนึ่งไม่นอนเพราะความดื่มด่ำในธรรมะท่านและธรรมะโอชาที่มีอยู่กับใจตัวเองเป็นเครื่องประสานกันหนึ่งส่วนความดูดดื่มธรรมะภายในใจของแต่ละท่านนั้นต่างกันไปตามภูมิที่มีอยู่กับใจ บางท่านมีสมาธิอย่างอ่อนบางท่านมีอย่างกลางบางท่านมีอย่างละเอียดแนบแน่นซึ่งแต่ละขั้นก็เป็นธรรมะปีติพอให้เกิดความดูดดื่มเรื่นเริงได้ตามภูมิของตนและบางท่านเริ่มฝึกหัดวิปัสสนาปัญญายัางอ่อนไปตามขั้นสมาธิของตนบางท่านพิจารณาวิปัสสนาอย่างกลางบางท่านเจริญวิปัสสนาขั้นสูงขึ้นไป และบางท่านก็จเจริญวิปัสนาภูมิอัตโนมัติคือสติปัญญาที่หมุนตัวไปกับธรรมะประเภทต่างๆที่มาสัมผัสใจไม่มีลดละปล่อยวางถ้าเป็นฝนก็ชนิดตกพรำทั้งวันและคืนไม่มีหยุดถ้าเป็นน้ำก็ชนิดน้ำซับน้าซึมไหลรินอยู่ตลอดเวลาทั้งหน้าแ้งหน้าฝนเมื่อเป็นวิปัสนาธรรมจึงให้น้มตามนิสัยและสนวนป่าว่า สติปัญญาอัตโนมัติอาจจะเรียกชื่อดังครั้งพุทธการท่านเรียกกันว่ามหาสติมหาปัญญาก็ไม่น่าจะบกพร่องทางคุณสมบัติเพราะสติปัญญาขั้นนี้ทำหน้าที่เต็มภูมิอยู่ตลอดเวลาไม่มีชะ ง, งักชักช้าและต้องถูกบังคับถูทายแต่อย่างใดเหมือนปัญญาทั่วๆไปแต่เป็นสติปัญญาที่รู้จักการงานในหน้าที่ของตนโดยสมบูรณ์อยู่แล้ว แต่จะให้นามว่าเป็นมหาสติมหาปัญญาแบบครั้งพุทธกาลท่านวิสัยป่าไม่อาจเอื้อมตีเสมอได้จึงหันมาใช้สติปัญญาอัตโนมัติแทนรู้สึกเหมาะสมกับภูมินิสัยธรรมะเหล่านี้แลที่พาให้พระทุดวงท่านเพลินในความเพียรไม่ค่อยหลับนอนกันต่างท่านต่างเพลินในธรรมะตามภูมิของตนองค์ที่เกิดความสงสัย แต่ไม่กล้าเรียนถามท่านได้ในเวลาปกติเมื่อถึงวันประชุมจึงเป็นเหมือนจะเหาะเหินเดินอากาศได้เพราะความดีใจที่จะได้ฟังการบุกเบิกส่งเสริมตามจุดที่ตนกำลังพิจารณาและตอนที่กำลังสงสัยเพื่อผ่านไปเป็นพักๆต่างก็ตั้งท่าตั้งทางประกอบความเพียรเตรียมรอรับการโสรสรงธรรมจากอาจารย์กันราวกับกระหายมาเป็นปีๆ พอจวนถึงเวลาต่างองค์ต่างทยอยกันเข้ามาสู่ที่ประชุมด้วยความสงบส ง, งยมงามตาหน้าเคารพเลื่อมใสเป็นอันมากยากจะหาพบได้การก้าวเข้าสู่ที่ประชุมของแต่ละองค์มีความประสงค์ในธรรมะอย่างแรงกล้ามุ่งน้าสดับทธรรมอย่างถึงใจต่างองค์ต่างกราบและนั่งเรียบราบคอยสดับทธรรมพอได้โอกาสอาจารย์ผู้ให้อววาดก็เริ่มแสดงธรรม และค่อยๆหลังไหลออกมาไม่ขาดวักขาดตอนราวกับฝนเริ่มโปรยเม็ดลงมาทีะะละหยดละหยาดฉะนั้นและก่อนท่านจะเริ่มแสดงมีสงบอารมณ์พักหนึ่งถ้าตามความคิดเดาของผู้เขียนก็น่าจะกำหนดบทธรรมะที่กวรแก่กรณีของผู้รอฟังอยู่แล้วอย่างพร้อมเพรียงเวลานั้นจากนั้นจึงเริ่มแสดงธรรมะที่ท่านสั่งสอนพระธุดงโดยเฉพาะนั้น รู้สึกจะเริ่มแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปหาปัญญาเป็นส่วนมากจนถึงธรรมะขั้นสูงสุดวิมุตตหลุดพ้นเป็นที่ยุติขณะที่แสดงไม่มีเสียงอะไรมารบกวนมีแต่เสียงธรรมะประกาศกังวานอยู่ทั่วบริเวณสถานที่ประชุมอย่างเดียวผู้ฟังฟังด้วยความสนใจใครรู้ใครเห็นตามท่านอย่างเต็มใจไม่พลังเผลอ ER, ยอมให้จิตส่งไปที่อื่น คอยกำหนดดูอยู่เฉพาะใจดวงเดียวซึ่งเป็นคู่ควรแก่ธรรมะทุกขั้นธรรมะที่ท่านแสดงกับใจที่ตั้งรอรับไว้โดยชอบย่อมควรแก่การรู้เห็นสิ่งต่างๆที่เข้าไปสัมผัสเกี่ยวข้องไม่มีประมาณสัจธรรมก็ดีสติปัฏฐานก็ดีไรลักษณะคืออนิจจงทุกขังอนัตตาก็ดีที่เป็นความจริงตามส่วนครอบแดนมนุษย์และสัตว์ทั่วโลกธาตุ ซึ่งท่านนำมาแสดงในเวลานั้นจึงเป็นเหมือนได้ฟังความจริงทั่วไรพกที่ไหลามาบรรจบในใจดวงเดียวซึ่งเตรียมรับทราบอยู่อย่างเต็มใจให้ได้ฟังอย่างถึงใจเพราะความสัมผัสไปมาแห่งธรรมะทั้งใกล้ทั้งไก ล, ท, กลทั้งในและนอกขณะท่านแสดงประมวลมาเป็นธรรมะงเคราะห์ลงในกายเน จ, จิตของผู้ฟังได้โดยตลอดทั่วถึงไม่มีทางสงสัย ใจที่เคยเก็บกอบหอบฮิวกิเลตทั้งหลายโดยถือว่าเป็นของดีมาดั้งเดิมเมื่อได้ฟังทั้งคุณและโทษที่ท่านโปรดเมตตาแล้วจะไม่ยอมสละทิ้งปล่อยวางก็รู้สึกจะมืดมิดปิดตายเกินไปแต่จะมีใครที่ตั้งหน้ากอบโกยโรยทุกใส่ตัวเองเวลานั้นทั้งที่ตั้งหน้ามาฟังความจริงอย่างเต็มใจจากครูอาจารย์ผู้แสดงธรรมะของจริงล้วนนอกจากจะฟังเพื่อเห็นทั้งโทษและคุณ ที่ท่านแสดงไปตามธรรมะจริงเท่านั้นสิ่งที่เป็นโทษควรละย่อมละสิ่งที่เป็นคุณควรยึดและส่งเสริมไปตามความจริงและเจตนาไม่มีทางเป็นอื่นดังนั้นผู้ฟังเพื่อความจริงตามธรรมะที่ท่านแสดงตามความจริงจึงมีทางรู้ทางละเป็นผลเครื่องยืนยันรับรองสำหรับตัว โรคที่ยอมหายด้วยยาและกิเลสที่ยอมหมดสิ้นไปด้วยธรรมะจึงเป็นคติธรรมดาที่โลกและธรรมะเคยปฏิบัติต่อกันมานอกจากโรคชนิดไม่ฟังยาและกิเลสชนิดไม่มองดูธรรมะเท่านั้นเป็นขึ้นกี่รายก็ต้องชิบหายไปตามๆกันไม่มีทางเหลือหลอเรียกว่าโรคสุดวิสัย